ศีลสมาธิปัญญาสรมปโนอิติปิโสกรวานับแต่นี้ต่อไปให้พากันตั้งใจฟังพรรมเรนาเพื่อดับสติปัญญาความรู้ให้เพิ่มเติมขึ้นจากโลกยะปัญญามุ่งสู่โลกตระปัญญาคือปัญญาอันยิ่ง ที่จะได้นำมันมาใช้ในการตัดกระแสแห่งความทุกข์ยากหรือความร้อนลูกคุกคุลของเผิงกิเลสทั้งหลายที่กําลังอ่ลุกโชนช่วงอยู่ในขณะนี้ <c oughs> ไฟที่มองไม่เห็นสีไม่เห็นแสงแต่เป็นไฟที่รวกรนอยู่เผาไหม้อยู่ภายในเป็นไฟที่ออ ประมาณที่สุดฉันหวังเราว่าเราชาวพุทธทั้งหลายต้องอก อ, งอกตัง้งออกตั้งใจฟังที่จะชาระไฟภายในให้ดับสนิทฉะนั้าจึงจะเปืนต้องอาศัยการปฏิบัติทำเอามือลงได้เลยแล้วก็นั่งสมาธิธรรมดาธรรมดานั่งเอาจิตมาตรวจร่างกายให้ดีว่าเรานั่งมันอนั่งได้ ได้จังหวะดีไหมเฉลี่ยน้ําหนักที่ก้นเนี่ยพอเหมาะจะนั่งท่าเพราะเพียบหน่าขัดสมาธิสมาด้วยขั้นนั่งขัดสมาธิเพชก็ได้ตามแต่ศาสนาฉนวนมากหลวปู่สิไม่จะมักะสอนให้นั่งสมาธิเพชโดยเอาเท้าขวามาทับเท้าซ้ายแล้วก็เอาเอ่อเอาเท้าซ้ายไปทับเท้าขวาเเท้าขวาไปทับเท้าซ้ายทั้งกายตรงดูลงตรีว่าจะพะหน้าอันนี้เรียกว่าขัดสมาธิเพช ขาดสมาธีเฟ้ใครขัดได้การนั่งมันจะสมบูรณ์มันไม่ค่อยเอียงคล้ายเอียงขวาก้มหน้าไงายหลังเนี่ยจะไม่ค่อยมีฐานการนั่งก็จะมั่นคงอืเพราะนั้นเรื่องของการนั่งก็เป็นตัวหนึ่งที่เราต้องเอาจิตใจมาตรวจดูสภาพการนั่งของเราคือเอาสติมาตรวจตรวจดูเรานั่งเนี่ยเรียบร้อยไหม เมื่อระวังการร่างกายเรียบร้อยดีก็หันมาวางลมหายใจถ้าใช้ลมหายใจเข้าใหายใจออกซึ่งมีทรัพยากรในจําเป็นต้องนํามาใช้ฝึกสติโดยไม่ต้องไปเพิ่มเติมวัตถุอื่นเข้ามาช่วยเพราะธรรมกรนในตัวเราอมีธรรมก่อนทรัพยากรในตัวเรามีอยู่กันทุกคนเพียงเอาสติมาจับลมหายใจเข้าหายใจออกว่าหายใจแบบไหนสบายหายใจเข้ายาวสบายออกยาวสบายหายใจเข้าสั้นออกสั้น หรือหายใจเข้า่านออกยาวหายใจเข้ายาวออกสันลรงของคนเรามันจะไม่เท่ากันเหตุที่ไม่เท่ากันก็นเพราะอวัยวะของเรามันไ ม, ไม่ไม่เท่ากันนั่นเอง อ, อกใหญ่ปวดใหญ่มั่งปอดเล็กบั่ง <c oughs> นี่การปฏิบัติธรรมจาเป็นเราต้องเอาสติมาตรวจ ป, ปัจจุบันของเราที่เตรียมพร้อมอยู่เนี่ยเป็นปัจจุบันตรวจดูซิว่าเราหายใจอย่างไหนมันสบายเมื่อเราได้ลมหายใจสบายแล้วเอา จิตของเรานะ่ะเอาสติของเรามามาพิจารณาดูใจท่าจบายถูกที่สุดแล้วที่เราให้ใจทุกเมื่อเชื่อวนันนี่แหละเอามาทําเอามาเจริญสติเพียงจะเอาจิตมาจับที่ลมหายใจเข้าา ใ, ใจออกเหมือนะการที่เอาจิตมาจับก็เหมือนเอาสติมาจับให้มันความเคลื่อนไหวของลมหายใจนี่เราก็เริ่มพิจารณาแจ่ตั้งสติเอาตรงไหนก็ดี ปลายจมูกก็ดีลมผันเห็นง่ายๆกําหนดรู้ง่ายๆก็ที่ปลายจมูกจะ<ม>ใช้อานาปานุสติแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกตามที่ที่เราหายใจทุกเมื่อเช้าวันนี้แห่ะเพียงเอาสติมาจากเขาแล้วก็หายใจเข้ากขาว่าผู้ยาวๆไปตามกับลมลมหายใจเราหายใจเข้านะเวลาออก เราก็ว่าทูในระหว่างการภาวนานระหว่างการเจริญสตินี้เราไม่เอาจิตไปคิดอย่างอื่นมาอยู่ปัจจุบันจริงๆหายใจเข้าเป็นปัจจุบันหายใจออกเป็นปัจจุบันขณะรวมหาย ใ, หใจเดินเข้าเดินออกก็เป็นปัจจุบันไม่เอาอาดีตอนีเก่าๆที่เราเคย มีมาแล้วก็อย่าเอามาอันนี้เรียกวิวธีการวิธีการทำทางสมาธิให้จิตกำหนดรู้อยู่กับลมดูยูกกับลมหายใจหายใจเข้าพูดนิง่งหายใจออกโทนิง่งแต่แล้วถ้าจะเอาเสียงเอาการเทศเป็นสื่อนำ เอาเสียงเป็นสื่อนำแล้วก็ต้องเอาสติของเราตามเสียงเสียงเหมือนกับสายฝนสติเหมือนลังคากั้นไว้หูเหมือนรางน้ำจิตเหมืนอนโอ่งน้ำตั้งไว้ให้ตะแคงอย่าเอยีงอยงอย่างคว่ำเมื่อเสียงผ่านไปสติจับได้รู้ก็ไหลลงสู่ หูหมายความว่าหูงเราก็เหมือนกราลานะ้ำส่งเข้าสู่ดวงจิตเหมือนโอ่งนะ้ำตั้งไว้จะพูดอย่างไรที่บายอย่างไรก็จะไม่หลงไม่ลืมมีวิธีการจเจริญตีให้ตั้งมั่นลงมาในปัจจุบันธรรมพระตีตัวนี้ถ้าอยู่กว่าปัจจุบันจริงๆก็จะรู้อดีต มาถึงตรงปัจจุบันนี้ได้อย่างไรอยารู้อนาคตที่เราจะเดินไปทางไปไหนมเมื่อไปถึงแล้วอะไรเรารออยู่ในอนาคตเราก็จะรู้การที่เราเดินไปถึงอนาคตด้วยปัจจุบันที่เรามีความฝึกหัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอนาคตรอเรา อ, อยู่ด้วยความสงหวัง ถ้าเราอยู่กับอดีตอดีตของผ่านมาแล้วดีก็ดีไปแล้วชั่วก็ชั่วไปแล้วไม่ต้องกาลังข้ามควานะมันเสียเวลาพวกนี้มันมันเป็นเหมือนขยะใจที่เรายังทิ้งมันไม่หมดหรือเรายังไม่ได้ทิ้งเลย ม, มันก็ติดอยู่ในหัวใจเราขยะใจนี่สำคัญที่สุดมันทำให้หัวใจเราหาความสะอาดไม่ค่อยได้ หาความผองใสไม่ได้ดังการสุดจิตมันเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้จิตใจของเรานั้นมีความสะอาดมีสติแล้วก็จะมีสมาธิมีความแน่วแน่มั่นคงแล้วก็จะมีปัญญาเกิดตามมาอีกเพราะจิตใจแน่วแน่มั่นคงมาจิต ย, ยกก้นตูอารมาได้เพ่งไปตรงไหนมันจะเห็นความจริงในที่นั้นเหมือนเราหยุดรถ เรานั่งรถเรามองอะไรไปข้างทางเห็นต้นไม้ถึงแม้จะจำได้ต้นไม้นี้เป็นต้นไม้พันนั้นพันนี้แต่เราก็ไม่เห็นไม่เห็นลูกไม่เห็นสีสันวันนะอะไรทั้งหมดก็เห็นได้ ว, ว่าต้นไม้ต้นต้นทุเรียนก็ว่าต้นทุเรียนแต่ว่าเราไม่เห็นรายละเอียดนั้นสมาธิที่มีความแน่วแน่เหมือนกับรถหยุดแล้วเราลงหยุดแล้วเราดูพิจารณาดูมันก็จะเห็นความจริงทั้งแสงสี ทั้งกิ่งใบเราจะเห็นชัดอันนี้ฉันเดีกการฝุรกจิตเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้เรานำมาใช้ในปัจจุบันในราดมเงินลงชีวิตยอยู่นี้ให้มีความสุขถ้าตติเรามีเราก็มีความสุขถ้าขาตติว่าเกิดเกิดบัติเหตุได้ง่าย จะพูดกบฏเหตุทางวจีกรรมทําอะไรก็จะมีวัฏเหตุทางกายกรรมก็จะเกิดเวทอุบัติเหตุทางกายกรรมนี่การฝึกจิตพระธมาพุทธเจ้าให้เราฝึกจิตทำทั้งหลายของพระองค์เนี่ยทิตจัดมาแล้วเนี่ยแปดหมื่นสี่พันวัธรรมขันเนี่ยส่วนใหญ่ออกมาจากจิตใจของมนุษย์เรานี่ยแหละท่านก็ไม่ไดเ้เอาที่อื่นไม่เอาทรัพยากรอื่นมาช่วย เห็นมีกับบางพวกเดรัจฉีพวกดาบบทพวกอะไรนี่นำมาฝึกหัดปฏิบัติแต่พระองค์เป็นผู้มีปัญญาตั้งควาเพ็ยรบารมีทำหมยเป็นพโพธิสัตว์พระองค์ก็เอาทรัพยากรในตัวซะส่วนใหญ่ไม่ได้ไปเอาอุปกรณ์ภายนอกมาใช้ทรัพยากรในตัวเราเองฉัตรปาพิจารณาอนาปานุติท่านก็เอาลมให้ใจเข้าให้ใจออกเนี่ย เป็นเครื่องสร้างสติขึ้นมาให้จิตอยู่กับลมให้ใจเข้าจริงๆให้ใจเข้าพูดนิ่งระหว่างนิ่งเหมือนกับว่ามันมีอะไรหรือพอเราไม่มีอารมณ์แทรกซ้อนตั้งสติออปลายจมูกว่าเนะี่ยที่ลมผ่านเข้าผ่านออกแต่ไม่ต้องเข้าไปตามลมออกตามลมสติเราตั้งไว้ที่เดียวให้ใจออกท หนึ่งตามจาังหวะลมหายใจของเราที่ว่ามันเข้าสุดแล้วมันก็ออกออกสุดแล้วมันก็เข้ามันทีาเข้าออกออกอย่างนี้ธาตุขันล้วจะยืนจงคงอยู่ได้เ <c oughs> พระาะธาตุขันแล้วสมบูรณ์มันก็เหมือนเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์ใหม่ๆ เครื่องทิ้งไว้ไมันมีคนขับมันก็เดินเครื่องมันอยู่อย่างนั้นเหมือนเราเขณนะไม่ทําอะไรพักผ่อนหลับนอนเครื่องมันยังติดอยู่มันก็จ่ายน้ํามันไปตามปกติตื่นมาก็จ่ายทํามันตื่นขึ้นมามันก็จ่ายมันมากกึ้นอีกนิดเพราะมีการขับเคลื่อนอืมพอได้ติขึ้นมาปับ๊บมันก็เริ่มทํางานขับเคลื่อนนละ มันตัวสติตัวจิตใจมันอยู่จิตจนอยู่เหนืออำนาจใจจึงต้องฝึกจิตให้มันมีสติเข้าไว้ให้เพียงพอต่อการใช้งานมันจึงทำให้เราไม่เกิดความพาดพลัง้งไม่เกิดความเสียหายใช้วาจาก็จะอ่อนหวานสุภาพอ่อนกิริยาเราจะอ่อนโยนไม่แข็งกระด้าง ไม่ก้าวร้าวไม่มีอาการถึงความแข็งกระด้างวาจาก็ไม่มีอาการถึงความก้าวร้าวรัศวะต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นถ้ารู้จักมีสติอย่างละเอียดอ่อนยิ่งสติมากเท่าไหร่กิริยาเราก็ต้องละเอียดอ่อนมากขึ้นไม่ใช่มีสติมากขึ้นแล้วเรากับหยาบคายลงไม่ใช่ การแดงออกซึงว่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตยอยู่ที่กายว่ า, จาใจใจรู้จักใช้ถูกเวลาถูกการถูกสถานที่บุคคลความเจริญก็เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นได้ง่ายง่ายคือถ้าเราฝึกจิตไปแล้วมันต้องมีอะไรดีฝาที่เราไม่ฝึก คิดอะไรก็จะจะมีความรอบคบอบอละเอียดไม่ประมาทไม่ซ่อนความเขาวโวยในความคิดพอเราฝึกจิตมันต้องมีความละเอียดต้องมีความกล้าวนาอะไรที่มันยังไม่เพียงพอต่อการลงชีวิตมันก็จะเริ่มเพิ่มเติมเสริมมากขึ้นมสมบัติภายนอกทั้งหลายเรามีเรียกว่าโลกีย์ทรัพย รูปคือโลเกซับนี่โอกาสใช้ประมาทพลาดฟังหมดง่ายแต่สมบัติภายในของเราเนี่นเรียกว่าอริยทรัพย์จะได้ได้จากการฝึกหาปฏิบัติธรรมนี่แหละทําใจใเครืองเราให้มันมีความสงบให้มีความเ อ, อบยิ่มเบิก บ, บานอยู่เรื่อยๆทาใจให้เป็นสุขแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็ดีด้วย ถ้าสุขภาพจิตแล้วไม่ดีจิตรับอารมณ์โกรธมากๆก็จะมงคาพัวใจทำงานหนักโกรธมากพัวใจทำงานหนักมากทำงานหนักมากต้งองใช้พลังเชื้อเพิงมากประชมมวัยโกรธหน้าดำหน้าแดงอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกมาชิมมวอย่างพอประมาณยังไม่มันไม่บรรเทา โล้วงถึงปชิมะไว้เอาแล้วร่างกายเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเครื่องยนต์เราเริ่มใช้งานมาเป็นระยะยาวนานเก็บกักความเครียดเอว่า้ตลอดเวลาพอโล้วงถึงปชิมะไว้ดีมันดีเป็นอาพฤกอมภภาพนะะถ้าเป็นอาพฤ ก, ก็จะมีการ บุบวาบแล้วก็ฟื้นขึ้นมาก็ไม่สมประกอบเื่อมีเสียงสิ่งที่สูญเสียไปบ้างอืซึ่งจะกลับคืนมาได้บ้างกับปากบิดไปหน่อยเสียงเสียงเอ่ า, อาไว้หน่อยเพราะดิ้นกายหดสั้นมั่งอะไรมัง่งกลับมาก็ไม่ปกติแล้วนะถ้ า, ามันได้ป่วยเป็นอาพึชกระพ่าดเหล่านี้แล้วเนี่ยต้องมีมือสิงมือชามืออีกอะไรก็ไม่รู้ละไปทันคนทิ่ตาทา อ่าชูเราไม่ให้มันเป็นดีฟ้าเมื่อการฝึกจิตทำใจเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทำใจให้ผอ่ผองแผรงผ่องแผ้วก็ไว้อะไรจะเป็นการเครียดบ่งบอกถึงความะระบบประสาทของเราให้ปั่นป่วนแล้วก็พยายามลดปลดวาง้บ้ า, บางอะไรบางอย่างการปฏิบททนะัติธรรมเนี่ยปฏิบัติเพื่อนำเอามาใช้ในกิ จ, จวัตรจำวัน นึกถือว่าประจาวันให้ได้อย่าอย่าไ ด, อาไดอา้อย่าได้คิดว่าเป็นสิ่งไกลตัวมันจะม่เป็นสิ่งที่ต้องอยู่กับเราตลอดเวลาเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นตัวสตินี่สำคัญจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะเคลื่อนไหวไปมาสัาติเราเพียงพอหรือจะไม่เหยียบน้ำตามตอไม่เหยียบเงี้ยวเขี่ยวขอไม่ตะะิธรณีประตู ลุงเงางเกงก็ไม่ไม่หกลม้มหกลุก mm hmm. ถอดรองเท้าก็จะไม่ลม้มทีนี้คนเราสติไม่พอหรือเป็นคนมกักจะมีอารมณ์ไม่ไม่ค่อยรอบคอบ mm hmm. ถอดรองเท้ามาจันทร์หลุกก็ก้าวเดินไปกับหัวที่หัวตำ่ำแล้วคนเรายิ่งอายุมากก็ยิ่งเจ็บมาก mm hmm. พอช่อายุมากแล้วเนื้อมันจะเหนียวกระดูกมันจะแข็งไม่ใช่ยิงอายุมากขาึ้นกระดูกก็เปราะด้วยเอ็นก็ขาดง่ายเปลยเขาอีกด้วยในขณะที่เราหมอเตรียมที่เนี่ยพอความโกรธหายไปปุ๊บเนี่ยพอฟอร์มโกรธมันลดลงไปแล้วเราจะเหลือทิ้ไงไว้เราก็าคือความทรมานเจ็บปวดไปตามร่างกายทําไมปวดแข้งบดไอปวด ขาปวดเอ็นปวดเสน้นไปทั่ว น, นั่นะเพราะพอมาความเครียดมันผ่านไปแล้วเนี่ยมันทิ้งเอาไว้แต่ความระบมของระบบประสาทที่มันเกิดเก่งเครียดกันมาระหว่างที่มันเกิดความโกรธหรืออารมณ์รุนแรงเนี่ยพลังงานก็ใช้เปืองอันตรายก็สูงจตุติไม่เพียงพอเนี่ย นีดเราฝึกจิตธรรมะก็เป็นเครื่องฝึกจิตให้เรามีสติรู้ว่าอันนี้เเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเราช้านิดก็ช่างเถอะขอให้เราทันต่อความสูญเสียหมายความว่าเราชา้านิดทันเร็วหน่อยอาจจะสร้างความสูญเสียให้กับเราก็ได้ด้วยความไม่รอบคอบอืด้วยความด่วนเกินไป เกินพอความจําจเป็นอย่างเงี้ยคนเราจิตมันมากยังไม่ค่อยจะ ย, ยอมรอสักนี้ก็ได้ใจเย็นๆอย่างเขาว่าใจเย็นๆน่ะอถ้าใจร้อนมันขาดความเอขาดความรอบคอบทติไม่พอใช้อุบัติเหตุเกิดบ่อยทรัพย์สินนี้ได้มาก็แทนได้จ ะ, ะสะสมให้เป็นกอบเป็นกำเป็นล่ําเป็นสัน สำเร็จประโยชน์ในการำดำรงชีวิตได้ง่ายแต่ก็ต้องไปสูญเสียทยิงไม่ใช่น้อยๆความหมายขาดติถ้าเราใช้ยานพานะ ย, ยิ่งเสียเยอะสติต้องมีอยู่ทุกเมื่อเนี่ย อะไรอะไรก็ทำเราไม่ได้ความโกรธก็จะมายั่วเรายังไงก็ไม่ได้เรามีสติเรารู้ได้ตัวนี้มันตัวที่จะทำให้เราเสียหายทำให้เราขายหน้าทำให้เราต้องขาดยศลดยศในสังคมแสดงออกไปเพียงนิดเดียวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยแสดงความไม่ดีออกไปหน่อยเดียวเด็กเห็นก็ไม่ไว้ใจแล้ว ที่นี้เรมีความสุ ข, ขุมรอบขอบเยือกเย็นด้วยสติสัมประชัญญะเนี่ยรู้ตัวตลอดเวลาไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะเดินห น, น่าจะถอยหลังในสมัยพุทธกาลนั้นอืพระโมกขลาปสาริบุตรไอเอพรผาตชิเดินไปบินธรรมบัดก็ยังได้อักราสาวกมาได้โมกขลาสาริบุตรมาสมัยนั้นยังเป็นนักปวดนอกศาสนาอยู่ คนนแต่เมื่อพระโมคคะราพระสารีบุตรเห็นพาธิจิเดินหน้าถอยหลังเหยียดคู่จะกลับเนื้อกลับตัวเนี่ยูมันมีสติไปทุกอียาบทมองแล้วมันก็นิ่มนวลไม่สะดุดเื่นไม่เตะนี่ไปไปอย่างราบรื่นแล้วก็ไม่เร็วเกินไปก็ไม่ช้าเกินไปฉันมองดูแล้วว่า เป็นผู้ที่มีการฝึกมาดีคงจะมีศาสดาองค์ไหนฝึกให้ท่านสารีบุตรก็พยายามติดตามเมื่อใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยดีแล้วเดินติดตามไปเรื่อยว่าท่านหยุดฌันที่ไหนก็จะเข้าไปถามถ่ายเพราะฉะนั้นเพียงแค่ความดีที่แดงออกไม่ต้องเทศแต่ด้วยซ้ำทางกาย ทางการเคลื่อนไหวเท่านี้ก็เป็นที่เป็นที่ศรัทธาของพูทธบ ร, ริษัทผู้มีปัญญาซึ่งเห็นซึ่งตามประจนถึงที่ท่านฉันเสร็จก็โอจังหวะให้ท่านฉันเสร็จจะเข้าไปถามถ่ายว่าท่านเป็นลักบวถมาจากสำงักไหนตราดาท่านชื่ออะไรเนี่ยเพราะ อาจจะชี้ันเจร็จท่านก็ขานเข้าไปถามถ่ายถึงปัญหาที่ต่างต่งใจไว้ว่าท่านเป็นนักบวชศาสนาไหนใครเป็นศาดาของท่านอดางศาดางท่านสอนว่าอย่างไรขณะนั้นพระอาจจะชี้เป็นพระอรหันต์แล้วแต่ท่านก็ยังท่านยังเพอจะยพระพุทธศาดาอยู่ไม่ไกลท่านก็ยังไม่เอไม่เอาตัวท่านเองเป็น เป็นเครื่องสอนเพียงการถ่อมตนลงมานิดหน่อยว่าศาดาข้าพระเจ้าก็คือพระพุทธเจา้าขณานี้กําลังประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีอะไรเงี้ยอ่อถ่านดาข้งท่านสอนอย่างไรท่านดาของเราสอนว่าทำทั้งหลายแล้วมาแตะเหตุอืจะดับกะดับที่เหตุอว่าอย่างนั้นทำทั้งหลายแล้วมาแตะเหตุ เห็นดับก็ดับตัวเหตุไม่เห็ดับตัวผลผลมันเป็นผลมาจากเหตุจากจะรู้ดีกว่า น, นี้กล้าไปถามศาสดาของเราเรารู้ได้แค่นี้เพียงพูดแค่นี้สารีบุตรก็ได้จุดประที่ต่อมาอีกท่าช่วงหนึ่งแล้วว่าทำทั้งหลายนั้เป็นยังกินจีสมุทรญาธํามังสับบันตังนิโรธธํามัง ถิงใดทิ่งดึงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาถิ่งนั้นล้วนดับไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าพระของเราสอนอย่างนี้พะระตานิบุตรขณะนั้นยังเป็นนอกนอกนอ ก, นอกรัติอยู่ก็ยังพิจารณาธรรมที่พระธี้แสดงแล้วก็ย่างจิตลงถูกว่าไตรลักษ์เลยแค่แป๊บเดียว ก็รู้สึกว่าจะต้องรีบไปศึกษารีบไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะว่าฉันฟังดูแล้วมันลึกซึ้งถึงใจไม่มีอะไรหรอกที่จะหนีสามัญักษณะต่างๆนี้ไปได้คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องเสื่อมไปในที่สุดชาเร็วมันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับ ผู้เป็นเจ้าของเรือนร่างหรืเป็นเจ้าของอวัตถุธาตุที่เราปกครองอยู่เนี่ยคือธาตุขันธ์ของเราเราใช้อย่างพระเจ้าท่านสอนทั้งกินก็พิจารณาปัจจัยที่จะมาใส่เข้าไปในร่างกายของเราที่ต้องอาศัยทุ่งมื่อเชื้อวันนี้ใช้ปัญญาให้พิจารณาดูกลืนกินทําไมเตือนซะก่อนเพื่อมาให้ กินผิดกินพาดกินด้วยความโรคความหลงความงงงายในรสชาติอาหารขนองไปตามไปตามรสชาติของอาหารจากลิ้นสัมผัสเนี่ยเราะฉะนั้นฝฟังฟั๊บเนี่ยท่านรู้ฟางฟังไปเลยเมื่อทำเข้าถึงใจแล้วจิตใจก็เริ่มมีปัญญาจะมองไปทางไหนไม่มีอะไรที่จะขัด ขัดข้องความอยากรู้อยากเห็นเพราะปัญญาเกิดแล้วออแสงสว่างเกิดแล้วทำเกิดแล้วอืทุกอย่างคือไม่มีอะไรหมดบังปัญญาเมื่อเรามีสติด้วยมีสมาธิด้วยมีปัญญาด้วยการลงชีวิตก็จะเป็นไปได้ได้ไดอย่างทุกขุมรอบข้อ และมีความมั่นคงไม่เปาะบางด้วยสิ่งเย้ายวนต่างๆทางอะไรตองสูญเสียสิ้นเปลืองเนี่ยไม่มีหรอกเนี่ยทาที่นำมากล่าวในวันนี้ก็คือสติให้เรามีสติกันมากๆาสติมากสตางค์มันก็มากด้วย สติไม่พอจะตังก็หมดด้วยโบราณก็มากแกด่าลูกหลานอยู่เสมอมึงไม่มีสติไม่มีตะตังแบบนี้ออถ้าอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าทําอะไรทําดีที่สุดในปัจจุบันไม่ต้องไปหวังอนาคตเป็นอะไรไม่ต้องหวังแต่เราตังา้งความหวังเราไ ว, ว้แล้วแล้ ว, ลวก็ทําปฏิบัติไป ไปไปไปตามเวลาของรลมหายใจมีแล้วก็โอกาสที่เรามีอยู่จะเรียนสติให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยตัวเนี้ยมันก็ยิ่งทําให้เรารู้อนาคตเลยตอนนี้อยู่ในปัจจุ บ, บันจะลรู้อนาคตจะเดินไปทางไหนอยู่ปัจจุ บ, บันจะลรว้อดีตมาแต่ไหนด้วย ที่เรามานี่ไม่รู้ว่าเรามาจากโลกตกสวรรค์เพราะเราอาดีตของเรามันมันมันลางเลือนไปเซะแล้วมันนานเกินไปอืมแล้วเราไม่ได้ทําติดต่อสืบเนื่องเหมือนพระโพธิสัตว์พระธรรมวุฒิเจ้ากี่ภพกี่ชาติฌาน ญ, ญาของท่านจะไม่เสื่อมมาทุกภพทุกชาติจนปัจฉิมวชาติฌาน ญ, ญาของท่านก็ไม่เสื่อมแต่มาเจอ ฌาน ญ, ญาณในปัจจุบันในชาติของท่านมันก็เกิดความสําเร็จหลุดพน้นเมื่อพระองค์สําเร็จหลุดพ้นในปัจจุบันในชาตินี้แล้วอดีตชาติมันเป็นอตติตังสียานก็เข้ามาทันทีเลยเข้ามาผสมประ ส, สานเข้าไปก็กลายเป็นโลกาวิทูสามารถนำมามาเล่ามาสาธยายให้เด็กฟังหมดในทุตันตปิฎกนั้น ว่าพระองค์ในพระชาติเสวยอย่างนั้นวิบากอย่างนี้ทํามาแล้วตลอดยาวนานพิสูจงไหนดือ้อรั้นขนาดไหนท่านก็เคยผ่านมาแล้วในที่ท่านเวีนว่าตายเกิดนะใครเห็นเกิดที่นั่นเกิดที่นี่ออันนี้แหละแล้วอยู่ปัจจุบันเราจะรู้วดีทีนี้ปัจจุบันในชาตินี้ปัจจุบันในชาตินี้เราเกิดขึ้นมาดินนั่งสมาธิไปเหนือหนูก็มาเกิดเกิดปั้บเรารู้ว่านนี้เป็นปัจจุบัน ในชาตินี้ของเรามันอดีตในปัจจุบันในชาตินี้แต่เราลุบปั๊มันก็จะดับไปแล้วมาเอาของเก่ามาแก้หอเอามานับเอามาเล่าเอามาทําให้มันเสียเวลาสมบัติในใจนมีเยอะขยะก็มีเยอะขยะใจที่มันของไม่จําเป็นเ่ยจะต้องเอามาใช้มันเสียพลังงานถ้าใช้ไฟก็เสียไฟเสียค่าไม เก็บไว้มันดีใช้มาแล้วเก็บมันเข้าไปที่ดีๆถ้ายังไม่มีใครใช้ผิดพลาดเราก็ไม่ต้องเอาตำรับนี้มาดูมันเป็นยาโบราณนะนี่หลักจิตจึงหาความเบื่อไม่ได้หาจะเบื่อวันเวลานาทีที่ผ่านไปก็ยากถ้าเราดำรงชีวิตที่ถูกต้องจริงๆแล้ว มันมีความสุขแล้วก็มีทั้งปัญญามันก็มีทั้งความรู้มีทั้งความละเอียดรอบขอบเหมือนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียุคนี้ยิ่งเล่นยิ่งเพลินยิ่งเปลี่นแปลงแก้ไขปรับปรุงกระแสสลับต่างๆให้มันดูละเอียดอ่อนเท่าไหร่มันก็ยิ่งเพิดเพลินขึ้นเท่านั้นจิตใจของเราเหมือนกันเมื่อเรามีความดีแล้วก็วาสามารถจะนํามาใช้อย่างไรก็ได้โดยอาศัย การลงชีวิตที่สุกขุมรอบคอรอ่อมันก็จะมีแต่ความเย็นนั้นไม่มีความร้อนเมื่อจิตมีความร้อนใครๆก็อยากเข้าใกลเพราะนั้นวันเวลาที่ผ่านไปนี้มันไม่ใช่ทําให้เรานนัหนุ่มขึ้นหรือว่าสิทางด้านร่างกายหาความเอสวยงามขึ้นทางด้านรูปธรรมนั้นอย่าได้หวังมีแต่ว่า ความดีเท่านั้นแนะ่ะที่มันอยู่ในรูปธรรมอันชุดโสมเอเหี่ยวโยนต่างๆนี้ถึงแม้จะน่าเกลียดไม่น่าสัมผัสน่าขยะฉียงตกบานใดก็ดีแต่ความดีที่มันซ่อนอยู่ในหนังเหี่ยวเหี่ยวหัวงอกงอกมันเป็นยังเป็นที่ชื่นชมของพุทธบริษัทที่จะไม่รังเกียจในการจับต้องไม่รังเกียจในการที่จะเอื้อเฟือ้อ เพราะเรามีความดีมากกว่าความหมินมีความดีมากกว่าความกว่าความชุดโสมเหล่านั้นเขาจะไม่เอามาเอามาทำให้เกิดลังเกียดความดีความดีมันมันเป็นชนหนึ่งที่เราต้องอาศัยอยู่กับดีกินกับดีนอนกับดีอยู่กับธรรมกินกับธรรมนอนกับธรรมแต่ไม่ต้องยึดที่เอาธรรมม่ต้องยึดเอาเป็นหน้าที่พึ่งเท่านั้น ถึงจุดหมายปลายทางเราก็ทิ้งคนอื่นก็ใช้ต่อไปเมือนนั่งกายเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาก็เพื่อทิ้งเพื่อตายเิดเพื่อ เ, อเพื่อสร้างบารมีให้มันถึงที่สุดแต่ยังที่สุดก็เวียนว่ายตายเกิดตรงเนี้ยเพราะควมสงสัยความที่เรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางยังเรียนหลักสูตรไม่จบแล้วยังไม่จบเาัาโทจิตวิญญาณเราก็ต้องเวียนวนทนทุกข์อย่างนี้แหละ แต่เรียนนีมันซึ้งจบจริงๆแล้วก็มันก็ไม่ต้องเรียนอีกสิถ้าเราเกิดมาชาตินี้เราเราฝึกปริหัติปฏิบัติได้เพียงแค่เที่ยวโลกเราก็ไปได้แค่นั้นจะเลยนี้ผ่านไปไม่ได้เพราะกำลังไม่พอเพราะเราไม่ไม่พยายามศึกษาหรือตะเกียกตะกายหาแนวทางหรือหรือว่าไอ ไอ้แผนที่ไว้ถึงเรายัางไว้ไม่ถึงเรามีแผนที่เรามีแนวทางเรามีเรามีสิ่งหนึ่งที่จะนำเราไปได้นั่นก็คือพระธรรมคำสอนพุทธเจ้านะถ้าอยู่มนุษย์สมบัตินี่ก็ไม่ยากอะไรรักตาฐีหน้าก็บวสิบเวลาอิ่มก็พุงทับแตกเวลาหิวก็หิ ว, หวถ้าจนทนไม่ไหวต้องผิดถิ่นผิดธรรมนะโลกนูจะเป็นอยู่อย่างนี้นะ ถ้าหิวรุนแรงใจของเรายังยังอ่อนแออยู่มันก็ต้องตะเกียกตะกายหาให้ทันกับความหิวทั้งของร่างกายทำให้ผิดถิ่นผิดธรรมเนี่ยเพราะนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์เราก็ต้องการาความสุขความสุขจริงๆอยู่ที่ไหนล่ะ แตว่าจิตใจเอาใจเป็นสุกแต่กายลนะ่ะมันต้องไปด้วยกันทั้งกายทั้งใจมีกายอย่างเดียวสุกกายแล้วใจเป็นไงใจมีแต่ความเดือดร้อนยังไม่รู้ไม่เข้าใจในสรรพสิ่งหลายที่กระทบต้องผัดอยู่ก็อยู่ไปวันวันวันหนึ่งใส่เสื้อผ้าก็ใส่ให้มันเสื้อผ้ามันก็เไม่ได้ใส่เพื่อให้มันเป็นนายเรา ใส่เสื้อผ้าใส่อภรรษเครื่องว่ตาต่างๆเสื้อเพื่อประดับให้มันไอเกลีสมันเบาบางไม่ใช่ดับประดับเอาเลกลีมจะนุ่งจะห่มให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้มันอตามที่พระเจ้าทรงสอนออให้มันจะอาดด้วยเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยให้รู้ด้วยว่าคุณค่าของอภรรษเครื่องประดับอันนี้มีแค่ไหน ที่หอ่อหุ้มร่างกายเอาเนี้ยอย่างหนึ่งก็ป้องกันควารรรมหนาวความร้อนป้องกันในในการในคำไปสังขารโยนี่พิจารณาปัจจัยเครื่องกระัจเนี่ยเตือนก่อนว่านุ่งทำไมห่มทำไมสุดใหญ่ๆก็คือปกปิดอวัยวะที่ย่วยเกิดความอับอายอันนั้นเพราะเราเป็นสตัตว์ประเสริฐคำว่ า, าสตัตว์ประเสริฐมนุษย์เดียวเป็นสตัตว์ประเสริฐนะ แม้ตัวกระรันก็ยังสัตว์มนุษย์นี่เขยังใส่ตัวยอยักษ์กระันจะจั ด, จดตะวะโลกมั น, มนก็ใช้วงแหวนมันยังเป็นสัตว์ที่ยังยังไม่ขึ้นชั้นเป็นสัตว์ตะวะโลกเนี่ยอดเยี่ยชาญ น, นี่เราเป็นสัตว์ประเสริฐในโลกนี้เราเป็นสัตว์ประเสริฐที่สุดอืม แสวงหาสิ่งที่ประเสริฐนี่แหละมันหาไม่ได้ก็ต้องเวียนวนแสวงหาอ ย, อย่างนี้แหละแค่ขันติตัวเดียวยังหาไม่ได้เลยท mm hmm. ุกวันนี้เราได้ยังขันติได้ขันติสักตัวก็ยังมียัง ม, งมีเส้นทางจะลัดไปสู่มรรคผลนิพพานได้ mm hmm. ขันติสักตัวเดียวเอาไม่ได้ mm hmm. แต่คุณเจ้าฟ้าแล้วก็แล้วแต่นี่มันใน ก, ก้าวกายแต่ถ้าลองอจะค้นหากันตีจริงๆเนะี่ยไม่กี่ประโยค์ก็ขันแตกแตกก็วัยอวุธแตกก็คนคุณอวุธทั้งๆมีวัยมีคุณอวุธเพียงพอ ก็แตกได้เพราะเราต้องการความสุขเราก็ต้องศึกษาแล้วต้องปฏิบัติปฏิบัติแล้วต้องนำมาใช้ด้วยมันจะได้เกิดความเคยชินมีสติมากใช่มากความบกพร่องจะน้อยสิ่งของจะไม่แตกทำลายก่อนเวลาที่มันจะสสูญสูญเสีย เหมือนร่างกายเราเนี่ยถ้าเราใช้ดีอะไรดีมันก็สามารถใช้ได้ยาวนานพอสมควร <c oughs> ถ้าใช้ไม่ดีใช้ไม่ดูแลไม่เอื้ออ่อรให้อาหารก็ให้ไม่ดีไม่มีการปีสังขาอยู่อืม <c oughs> ให้อาหารนั่งนั่งที่แพงแต่ไม่คุณค่าทางโภชนาการสังขารธาตุขันแล้วก็อยู่ไม่ไหว ให้น้ำก็มานน้ำไม่บริสุทธิ์เป็นน้ำปนเปื้อนกินแล้วก็ทำให้สูญเสียวิยวัฒน์ภายในถ้าเราเลี้ยงดูดีๆตามความสอนพุระเจ้าเอาอาหารดีๆให้กินเอาน้ำํำดีๆให้ดืม่มไม่เอาน้ําปนเปื้อนสิ่งที่มันกิงเข้าไปแล้วเสียนิสยัยเสียไรมันก็จะอยู่ยาวอยู่ใช้ได้ยาวนานแล้วเราก็ต้องใช้ด้วยนะ ต้องใช้ร่างกายตลอดเวลาจิตเรามาอาศัยกายตลอดลากายก็อาศัยจิต ถ, ถ้าจิตของผู้ใดไม่ฉลาดไม่มีสติสมาธิปัญญาเพียงพอร่างกายนั้นก็จะกระโปกระเปียเราจะเห็นได้จะสุดโซมเร็วโซมเร็วหัวไวที่เขาจะาไปถึงทีนี้จะดูแลดีล่ะ ใช้ก็ใช้พอดีอะไรเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายนี้ก็มีสมรรถภาพเลยเราต้องใช้ตลอดเวลาใช้ก็ทําอะไรถ้าร่างกายเราดีเน่ะไม่ปว่วยไม่ไข้ไม่เจ็บไม่ปวดเนี่ยใช้ไปทํางานแล้วก็ทําอย่างไม่รีรอเลยแต่ร่างกายนี้ถ้าเกิดมันเกิดเจ็บปวดปวด่ปวยไข้ทุกพลนิพพานซ่อนอยู่ภายในแล้วใช้อะไรมันก็ลําบากอนะยืดหยดัดอืดอาดเหมือนกับใช้คนปว่วยทํางานนะ่ะ ทำได้ไม่เต็มไม่เต็มใจเท่าไหร่หรอกเพราะนั้นเราผู้อาใจเรือนร่างทุกร่างทุกเรือนร่างย่อมมีคุณมีค่าชีวิตมีค่าเดูยกันทุกคนเวลามีคุณ อ, อย่าปล่อยทิ้งไปเสียเปล่าๆมากมายเกินพรอเหตุเวลานั่นแหละมันเป็นพยามม จ, จุราช มาถึงการถึงคาดมันก็จะต้องจากไปจนได้เพราะร่างกายนี้ไม่ได้สร้างโดยสิ่งท้าวลมั่นคงนะมาจากสิ่งอปฏิกูลถ้าเก็บไว้นัานปฏิกูลเน่าเน่าเปื่อยเปื่อยเวลาเราตายก็ไม่ได้ไปหรอกนะอย่ามัวจะหาจะตังค์อย่างเดียวหาบุญดีกว่าเอาบุญด้วยเอาตังค์ด้วย ชะตังเปลี่ยนเป็นบุญได้บุญก็ทำให้เกิดชัดตงขึ้นได้เมื่อเรามีความดีมากๆเป็นบุญเกตุดยศยงขจรไปทั่วเป็นที่เชื่อถือของมนุษย์เทวดาทั้งหลายทำอะไรก็จะมีคนช่วยสนับสนุนไม่ขาดสายอ่ไม่อาภาพอภาพเพราะวาตนาบารมีมันมองไม่เห็นของพวกนี้แต่มีอนุภาพดีชัว่วมีอนุภาพอ่มองไม่เห็นตัว เพราะยังรีบเร่งสร้างบุญสร้างกุศลก่อนที่โลกมันจะถึงความถึงความเสื่อมสลายแต่มันไม่เสื่อมลายไปไหนมันก็เสื่อมจากเสื่อมจากมนุษย์มาถึงจุดสุดท้ายแล้วมันก็ต้องอาขาดศีลขาดธรรมมันก็เกิดการเกิดวิกฤตันย์ดีเท่านั้นแหะ สิ้นโลกก็สิ้นศาสนาก็สิ้นโลกอย่างพุทธทาสว่าถ้าธรรมะไม่กลับมาโลกาพินาสน่นนะท่านพูดววาจริงสิ่งอย่างเดียวพระพุทธเจ้าท่านเอามาเผยแร่เผยแผ่ให้พุทธบริศัสตว์ตั้งแต่พระ อ, องค์ทรง ต, ตรัสรู้ใหม่ๆเห็นว่ามนุษย์เป็นสัตว์ทงังขมท่านก็ว่า ควรจะให้มีระเบียบไม่ได้เป็นเครื่องอยู่กันเอาสี่ห้ามาให้ืมะนาตีบาที่นาทธาการเมธุมิาจาหลวงพิชา์มุษาสุราห้าอย่างเท่านั้นเองห้าอย่างเนี่ยรักษาไม่ได้ยากอะไรเลยเอามัดใส่ใจใส่จิตใส่สมองเราให้เขารบนับถือเหมือนเขารบองค์พระสมบอาสุจรัตนะเพราะอันนี้มันเป็นเครื่องดูแลตัวเราด้วย สีห้าเนี่ยถ้าทุกคนมีสีห้าบ้านมัต้องปิดประตูนอนของของไม่ต้องกลัวตกหายออแล้วก็ของของไม่กลัวหายไม้ว่าตกก็ไม่หายบ้านมัต้องตัวปิดตูนอนไปไหนไม่ต้องฝากบ้านกับเจ้าหน้าที่เพราะคนมีสีเห็นไหมแค่สีห้าอย่างเดียวเนี่ยอืมเรามีทุกคนทุกคนสิ บอกก็ทําทไม่ได้ทําไม่ได้เพราะเรายังไม่อยากทําดีกันนั่นเองมยังอยากเอาลาตะเปรียบกกันคนไหนว่าทําไม่ได้คนนั้นน่ะรู้หัวใจส่วนลึกเลยถึงทําไม่ได้เราก็ยังไม่กล้าพูดอย่างอาจารย์เนี่ยว่าทําไม่ได้ก็ไม่กล้าพูดลกล้าพูดเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่ามันมีช่องทางทําได้แต่มันยังขาดขาดผู้มีบุญแล้วก็มีฤทธิอ์อันนี้ต้องเกี่ยวกับบุญจฤทธิ์เท่านั้นนปูบุญฤทธิ์ก็ไม่ไหวแล้ว อืต้องมีบุญด้วยมีฤทธิ์ด้วยมีความดีมีบุญด้วยแล้วก็ต้องมีอำนาจด้วยเดี๋ยวทำอะไรได้เดี๋ยวนี้มีบุญอย่างเดียวก็ทานอำาทานไอทานอำนาจกิเลสไม่ไหวด้วยให้ลองมองให้ดีๆสินห้าอย่างเดียวทีนี้สินหจะให้มันมีได้งไงมีตั้งอนุบาลเลยต่้งอนุบาลเลยอนุบานสินสามไม่ต้องสอนยังไม่ต้องสอน เพราะว่ายังไม่ถึงการเวลาสอนแก่ถินสีได้ท่องให้ได้แต่ต้องท่องให้ได้ตั้งอนุบาลไปเลยจน ถ, ถึงประจน ถ, ถึงประชาบาลชาวบ้านก็ต้องท่องอื่นสามข้อที่สามจะสอนก็สอนเมื่อมาถึงประชาบาลต่อมัธย ม, มะนะเนี่ยว่า ถึงประชาบาลต่อมัธยมมันก็ร่างกายมันเริ่มจะเปลี่ยนแปลงจิตใจเริ่มจะหวั่นไหวไปตามอํานาจของของอร่างกายของเจ้าของเองไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งอื่นทีนี้ต้องมีสิ่งใดที่มันมาทําให้จิตใจของอนักศึกษาเหล่านั้นเกิดความเพลิดเพลินคนจะสอนสิ่งสามต้องมีปัญญามากๆเอต้องเหมือนผู้นําที่ดีท่องต่างก็อนุบาลถึงปฐม อ ม, มัธยโยมเตียงอุโดมไม่ใช่อะไรนะเห็นไหมท่องไ่หมดจบมาแล้วมาทํางานยังต้องท่องอีกตื่นเช้ามาลงบัตทีเสร็จลงชื่อเสร็จลายเสร็จก็ตั้งแถวปุ๊บขึ้นมาก็สวดมนต์พระพุทธถึงสรจบหนึ่งสั้นๆแล้วก็ก่าวก่าวสิห้าสวดสิห้าสวดผิสดสิห้า แฝงให้อย่างดีแล้วแฝไม่อย่างน่าขยักขยแงน่าจะพึงกลัวในการที่จกร ะ, ะทําลูกอานาจสินห้าคอเนี่ยเห็นมอห ม, อมแต่คนมีศินทุกคนทุกคนน่ะเราจะต้องมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ละมากมายอย่างทุกวันนี้จะไปจับใครอะ่ะก็ไม่มีคนชั่วต่างคนต่างมุงหน้าทำมาหากินไปตามระเบียบระบบที่ระวางเอาไว้กันอย่างรัดกุมเนี่ย เออราวางรากฐานของสิ่งที่จัดูแลตัวเราเองให้มันมีประสิทธิภาพมีคุณภาพทั้งชีวิตแล้วทรัพย์สินอยู่แค่สินห้ายอย่างเดียวหนะ้าชีวิตทรัพย์สินก็จะมั่นคงด้วยแล้วมีการฝึกจิตทาใจฝึกสติสมาธิปัญญาเนี่ยเอาแค่นี้ล่างกฎหมายล่างห้าข้อพ่อไม่ต้องไปเอาสี่สกี่ร้อยมาตราเนี่ย ไม่ต้องเอาแค่สินห้าอย่างเดียวหาข้อง่ายๆเจ้าหน้าที่มีไว้จังหวัดทุกคนทุกค น, คนพอโตะทํางานตวงเอาว่าไปจับนระกแตกออกมาเข้ากงไม่ใช่เอามาเข้าคุกนะคุกไม่ต้องทํำแล้วท่านมีสิหนห้าทุกคนทุกคนกนะ็จะเอาไปใส่ใครหรอกศาลนะ่ะทางานนะ่ะใครศาลก็ทางานทนะุกคนชั่ว ตำรวจก็ทำไอ้เจ้าหน้าที่ทำงานคนชั่วพฤติผู้คุมทำงานคนชั่วตั้งแต่ฐานี้ไ้ต่างก็กรมตำรวจไปถึงศาลไปถึงราชทันมถ้าคนศรห้างมีแล้วไม่ไม่ต้องไปทำเอาไว้ทำอะไรนะราชธรรมก็มีคนชั่วไปไปเข้าไปอยู่เห็นไหม เอาแค่สีนห้าพอขุดหมายลูกอีกห้าข้อวรฒยาออกมาให้มันน่าฟังให้มันท่องได้จากนุบานมาเลยระบบการศึกษาต้องมีภาคบังคับสีนห้านี่สาหรับประเทศไทยถึงรัฐที่อื่นเขาจะมาศึกษาข้อเฟียงศึกษาไปกับเรื่องของเขาแต่ศึกษาต้องปฏิบัติต้องนำมามาใช้ให้เกิดความสุขเกิดวาสมสงบร่มเยนแก่ อสังคมประเทศชาติศาสนาเนี่ยสำคัญไม่ต้องมากไม่ต้องยุ่งยากสับสนเลยไม่ต้องไปเรียนโ น, โนเรียนเนยยุบหมดรัฐธรรมนูญก็ ย, ยุบดีออาญาลูกดีกายุบสารปกครองก็ยุบผมไม่มีคนชั่วจะไปตั้งว่าทําไมล่ะจะไปเรียนทำไมเสียเวลาลองลองมองเอาง่ายๆพวกเอาแบบง่ายๆพวกคองง่ายๆดูมั่งจะเป็นไง ก็มีความสุขไปเท่านั้นน่ะสิมีเจ้าชีคนหนึ่งไปใกล้อาจารย์บอกว่างั้นชันก็ตกงานผมก็ตกงานเนี่ยโอ้เงิ น, น ก, ก็ไม่มีคนช่วแล้วกรมตํารวจก็ยุบไปเลยอ่าศาลกย็ยุบอาจารย์ก็ยุบยุบหมดไม่มีคนชั่วแล้วเพราะแถวถิ่เหล่านี้ทางงานคนชั่วแล้วอ้างว่าอ้างว่าไอ้กฎหมายมีไว้ปกครองเพื่ อ, เ พ, อเพื่อเอาไว้เอาไว้ป้องกันคน คนคนจนปกคล้องป้องกันคนไว้ป้องกันคนคนจนวันนั้นเห็นขึ้นศาลเี็เอาซุกเกาะไปให้ให้ผู้ต้องขังใส่ขึ้นศาลแล้วเอาเอาอะไรคุมหน้าทั้งมิชิดหมดแล้วมีตำรวจต้องเป็นกองร้อยอ่รารักายอยู่ข้างหลางนะยังขอกำลังเพิ่มอีกนี่เห็นนะแล้วเป็นข่าวด้วย ใครถ้าถ้าครจะว่านั่นก็ไปเอาไปไปเรียกร้องเอาสํานักข่าวมามันต้องยังเก็บไว้ไม่ไม่ทิ้งนะพวกนี้อะไรที่ยังเป็นอแง่สองแง่สองงามอยู่มันจะต้องเก็บไว้เพื่อกันป้องกันในการฟ้องร้องเห็นชัดเลยนี่พูดไม่ได้เกี่ยวข้องกัรเมืองแต่พูดเปรียบเทียบคนดีคนชั่วพูดเปรียบเทียบถึงทำทำกับ การดำรงชีวิตของมนุษ ย, ยชาติเนี่ยจําเป็นจะต้องมีหลักพุทธิชาให้หลักเอาไว้ให้อย่างเท่านั้นเองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยแต่รักษาไม่ได้มันรักษาไม่ได้แล้วก็ต้องทุกข์กกกกอยู่งนี้แหละทีนี้ถ้าเราทําอย่างนี้ของก็ไม่หายด้วยเราห า, าหายตรงนี้หายในโรงเรียนรุ บ, บาลก็คืนตรงนี้หายในประชาบาลคืนนี้มัธยมคืนตรงนี้เตรียมโรงคืนตรงนี้ หมู่บ้านคืนตรงนี้ตําบลคืนจังหวัด อ, อําเภอคืนจังหวัดคืนตรงนี้ของที่หายไป น, น, นานแล้วไปดูที่คืนนาทีเราหายตนนําบลนี้ไปดูที่ตนนําบลนี้แล้วถงตาอาจจะหาไม่เจอก็ได้ของบางอย่างมันมีค่าแต่มันตาเราอาจไม่เจอคนอื่นอาจเจอก็ได้คนที่รักษาดินหน้าเจอเขาก็ต้องไปไว้ที่แต่ ไ, ไว้ว่านีิว่าตัวเองกลายเป็นการขโมยอีกขโมยของหายที่เขายัางไม่ทอดทุระเรานี่ยถ้าเป็นพระนี่อาบัติว ร, ราชชิดเจ้านาจะบอกให้ เงินแค่หนึ่งบาทสยามเท่านั้นนะไปเก็บของตามถนนเนี่ยไปเก็บทรงเดชไม่ได้นะ่าเป็นพระนี่เห็นเงินเห็นทองไปเก็บออกมาเป็นผลักออกมาเป็นทุบาของตัวเองแค่หนึ่งบาทสยามบงบัดประประาชิกเี่วน่าจะบอกให้เพราะเจ้าของไม่ทอดทุลัแล้วก็นี่แหละเห็นั้มดูว่าง่ายดีไหมล่ะเอาแบบนี้แสนจะสบาย เดี๋ยวจะบอกงั้นฉันก็ตกงานฉันก็ตกงานเองโอ้ยยิ่งมีงานดีกว่าเก่าก่อนเราทํางานคนชั่วดีหันมาทงางมาคนดีส่เงินก็ประมาณที่เหลือมาจากยุคนู่นยุบนี่ยุบนั่นน่ยมันมากมายมหาศาลเอามาอให้มาฝึกเอาเอ า, เอามาเอามาใช้ใจ่ายกับคนที่เกิดมาทีหลังรังยังยากจนเกินใจเยอะพัฒนาประเทศใหก้าวหน้าต่อไป เจ้าหน้าที่หันมาทำงานการไดร้สังคมสงเคราะห์คนก็ไม่ต้องพกเมียไม่ต้องเป็นไหมลูกก็ไม่ต้องกํา้าตัวเองมันไตโหงดีไหมล่ะยุบไอ้พวกนี้ซะแล้วมีสินายย่ายังเดียวเนี่ยเจ้าที่ก็ปลอดภัยด้วยแต่เจ้าทีิตหารเอาไว้เอาไว้เส้นละคนละคนละคนรอบประเทศไปวัดเอาเส้นหนึ่งเนี่ยเส้นละคนละคน คนนึงรักษาฝ้าฝ้าฝ้าสิบวาร้ายสิบวาอาวุธครบลองดูสิจะอยู่ได้ไหมเอาแค่ง่ายๆพูด ง, ง่ายๆอย่างพระป่าตรงๆอย่ยงก็พูดอย่างนี้เพื่อจะให้นำอาธรรมานี้ไปใช้ให้ได้ในกิจวัตรปรจำวันของเราในในปัจจุบันธรรมที่เราไม่รู้พระใจอยู่นี้เราจะใช้อดีต ไปใช่ทําไมเราถอยไปไม่ได้มันเลยมาแล้วจะเดินหน้าไปอนาะคตยังไปไม่ถึงให้เรามีความสุขในปัจจุบันนี้ให้ได้อปัจจุบันยังมีลมหายใจยังมีเนื้อไม้หนังมีเลือดพอที่จะรักษามันไม่รั่วไม่ไหลออกมาผิดเส้นทางอนะ้รนั้นให้เรามีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขร่มเย็นลูกตดาวหล่าานก็จะพากันชื่นอกชื่นใจนํามาพัฒนาประเทศชาติมันจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไป โดยไม่เอามาสูญเสียเปล่าเปาก็พวกไม่ได้เลยเลยพวกผู้ร้ายพวกเลยพวกคุกพวกไรนี่มันเคยหาเงินเข้าประเทศแล้วมีแตใช้ใช้ใช้ใชพวนี้ที่จะหาเงินเข้าประเทศก็พวกช่วงพานิชอะไรพวกนี้แีละรอบประเทศแล้วเนี่ยเอาไว้คนพอไหมทหารต้องเอาไว้ไหมไว้ไม่ได้ต้องเอาไว้อแต่เอาไว้ไม่ตรงมากก็เส้นละคนละคนละคนอาวุธครบ รักษาข้างซ้ายสิบวา น, นี้สิบวาอืออดีลราชตัวจะ บ, บุกเข้าถึงตัวไหมอาวุธมันทันสมัยเนี่ยเนี่ยน่าเสียดายจริงๆนะเสียดายชาติเกิดของเรามันเกิดไม่ไม่เกิดเจอยุคแบบนี้นะเจอวกแบบนี้โอ้ยสบายมาวัดก็ไม่ต้องไปข่วงใยทางบ้าน ออกไปไหนก็ไม่ต้องกลัวของหายยังจำยังจำได้มาสมัยรุ่นๆุ่นขี่ตัวท้าไปไหนมาไหนเอ่อมันง่วงนอนขึ้นมาหรือว่ามันเพี้ยขึ้นมาจอดเข้าตลาดข้างทางจอดตัวท้แล้วขึ้นตลานอนสบายไม่เห็นมีใครมากอกมาแกะสมัยนี้ไม่ต้องจอดไปนั่งเฉยๆก็เสร็จไม่ต้องหลับ <laughs> ไม่กล้านั่งตะด้วยเดี๋ยวนี้ เห็นเพื่อนๆบอกให้ฟังนี่นายโยมมันการใช้ระบบนำมาเพื่อความปลอดภัยแก่เราเองเนี่ยสิทธิามปลอดภัยกับตัวเราเองเลยนะและทรัพย์สินอื่นๆเรายังให้กับผู้ยิุยามไดม้ชื่อเสียงต่างๆเราก็เอาบัตรประชาชนเราเนี่ยทุกคนมุ่งเข้า พุ่งเข้ามาจากต่างจังหวัดจากหมู่บ้านตำบลอำเภอเจังหวัดมุ่งเข้าองคเทียมมาทำ ม, มาขอศรีนาภาบังคับเอาไปศึกษาตั้งอนุบาลเลยไม่คบไม่ข่ากันตายแล้วอืมพอศรีนามันไม่ได้บ่งให้ข่ากันนะจะขัดกันกับเพราะคนชั่วไม่ยอมไม่ทำนั้เนนะี่ยมันจะขัดกับคนชั่วนั้นเนะี่ยคนดีก็ไม่ขัดหรอกเรื่องเหล่านี้ มันจะดีไหมโยมว่าดีไหมอ่าเวลาลูกหลานจะไปเรียนกฎหมายไม่ต้องไปเรียนกฎหมายไปเรียนทําไมนั่งหนากฎหมายกดค่าข้อเนี่ยเรียนอยู่แล้วเอาอยู่ก็แล้วกันอืหรือมั น, ม, นมันอ่อนไปหรือมันแหมมันกดของพระอรหันย์เนี่ยนะไม่ใช่กฎของคนธรรมดาสามัญจะามาสอนมาสั่งกันนะ กฎ ข, ของพระอริเจ้านะกฎห้าข้อนี่มันจะไม่ดีได้ไงล่ะถ้าเรานำมาใช้อา่าถงว่าดีไหมล่ะเดี๋ยวจเจ้าที่บอกงั้นฉันก็มมีงานทำหูยทำงานคนชั่วหันมาตาหมานคนดีก็สบายเท่านั้นให่นไหมลูกไม่ต้องกังพะเมียก็ไม่เรี้ไม่ต้องเอมียก็ไม่ต้องเป็นไม้ตัวเองไม่ต้องตจโหง เปิดไม่ต้องพกแล้วเลิกเห็นไหมก็ <c oughs> เท่านั้นเองง่ายมอืกบางทีก็พูดปั๊บนะเนี่ยโอ้ยมันทาแม่หรอกท่านแหมเราในหัวใจแม้แต่ตัวเองคิดว่ามันทํายากหรือทําไม่ได้เรายังไม่กล้าพูดนะเพราะเราเป็นมนุษย์ไงมนุษย์เป็นตัดประเสริฐประศักด์โลกทั้งหลายใช แล้วนี่ประเสริฐหรือมันมันไม่ประเสริฐละ่ะทิ้นห้าเนี่ยแล้ว <c oughs> เราจะจะว่ า, เ, าเราจะพูดได้ยังไงละ่ะก็เราเป็นประมองดีวระศัตรทั้งหมดในโลกนี้ออ่ืน่าจะคิดได้นี่มันจะปลุกระดมนะเดีย๋ยวจะนี้นก็ปลุกระดมนะวันนั้นไปเทศ่ยที่สี่สเราทัาก็มาพูดอย่างนี้แหละแต่ว่ามันจะปลุกระดมมองเห็นรองทิพดี นั่งหรืออยู่ตรงโน้นมองเนนายทหารเนี่ยใหญ่นั่งกันเป็นกลุ่มๆแล้วก็มองไปนี่บอกในภูกระดมนะเพียงจะเปรียบเทียบบุญบาปดีชั่วถ้าไม่เปรียบทเทียมเจ้าตัวละครเนี่ยไม่เห็นนะเห็นไหมก็ไม่เห็นสิแล้วถามว่าเนี่ยอคนทํา ง, งานคนชั่วเนี่ยอย่างเจ้าที่ทํา ง, งานคนชั่วทําไปมาเจ้าที่ชั่วด้วยหรือเปล่า ชั่วชั่วมันจะมีเห็นตัวแล้วมันจะเสียงขึ้นมาแล้วจ0ทีปสิบเอร์เซ็นต์ได้พวกนี้ิตนักศึกษาก็มีเห็นนะอ่ถามว่ายุคถ้างั้นคนชั่วมันไม่มีแล้วเอาว่าทำไมล่ะเปืองเงินเดือนเปืองอะไรเปล่ายุบไปเลยกมรวดก็ยุบมาตั้งสมบูรณาติราชมาถึงป่านนี้ประชาธิปไตยเนี่ยมันได้ได้เต็มเมือยังอ่านี่ม่ไดุกระดมนะ เดี๋ยวโยมยุทก็จะหาว่าเราปลุกระดมนะไม่ใช่คอดชอเขไม่ชอบเหเห็นหน้หาเยอะไปหมดเลยก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะองค์หนึ่งก็ไม่ยอมเทศองค์สองไม่ยอมเทศองค์สามไม่ยอมเทศมนไล่มาจนถึงเราเราก็ไม่รู้จะทำไงถ้าเราไม่เทศที่คนล่ะนึกสลดใจว่าโอ้ดูมาตั้งห้าหกสปีเนี่ยแล้วมาัน เราเทศทกันไม่ได้เชียวหรือเก็บเอาถึงอันพันน้อยอยีกหน่งหัวใจเราที่มองกระดุดตามรือกระดุดหูหมั่งอะไรเนี่ยามาพูดเทศหรือฟังเนี่ยไม่ใช่เอามาจากไหนไม่เอาตำรับมาราลงนะมาจากการสะดุดหูกะดุดตาเท่านั้นเองเอามาพูดเนี่ยย่มไม่สะดุดมึ่งหรือ <laughs> <laughs> เราไม่ได้ปลูกระดมแต่ละปลุกปัสาวะปลุกสมองใ ห, ให้ได้คิดไว้ก่อน คิดไปคิดไปเดี๋ยวความคิดมันมากลุกขึ้นมาท่วมโลกมันก็อาจจะเป็นจริงได้ทักวันหนึ่งเราก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขกันทันทีสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนแผ่นดินนี้ทั้งมนุษย์และสัตว์ก็จะยังหลงเผ่าพัานเหลือเผ่าพันธุ์ไม่บ้างถ้าเป็นอย่างนี้ไปนานๆไม่ไม่นานนะก็สิ้นโลกก็สิ้นสัตวสิต น, น, นาก็สิ้นโลกมีเท่านั้นนะ่ะม ลองคิดที่จะสิ้นได้ไม่ได้ลองคิดดูกันแล้วกันนั่งสมาธิดูสิ้นศาสนาก็สิ้นโลกถึงจึงได้ขวนไปถึงคำพูดของพุทธธาสภิกษุภิกขุว่าไมา่ธรรมะไม่กลับมาโลกาพินาศฉัน ว, ว่าไม่ต้้งหลายปี น, นี่มันก็มีแนวโน้มไปเรื่อยๆเลยเ แล้วแล้วแล้วว่ากฎหมายคุ้มของคุ้มของคนคนดีก็วันนั้นเห็นใช้ของดีไปให้คนชั่วใช้ใช้เคราะห์ให้ให้คู่ต้องขังขึ้นศาลนะทำไมต้องไปเคาะเสื้อไปคุ้มถึงขนาดนั้นนะโถคนชั่วจะตายแค่คนมันจะเป็นอะไรไปล่ะเชื่อมัอ้ยเออมันไม่ได้ประโยชน์อะไนี่นะ วาเจ้าที่ที่คุ้มครองในวันนั้นรักษาการน่ะรายใหญดับใหญ่เงี้ย น, นะเป็นกองร้อยนะแล้วยังของกำลังมามาสมทบอีกอทำไมคนชั่วคนเนี้มันมีอำนาจขนาดนั้นจอะเลยก็เห็นคนเดียวเองอะ่ะแล้วาผ้าปิดเอาใส่เสืกาะไม่พอยังปิดหน้าชะมิดอีกส่วนเจ้าทางสนโจรได้เปิดหน้าเปิดหมดเลย เนี่ยดูแลสรุปใจจังวันนั้นก็ก็นั่นมันสะดุดตาไงสะดุดใจตายเฉยเนี่ยพวกเราเป็นชาวพุทธควรจะได้คิดกันบ้างนี่เวลาก็ควรจะพอจะใกล้สมควรเท่าแล้วมั้งไม่ได้ดูเวลาด้วยอขอโทษทีเดี๋ยวจะเกินเวลามากเกินไปขอให้ใช้ความคิดของเราเองเป็นปัญญาเราเองออกมาบ้างที่ว่ารู้เองเห็นเอง เก็บเองปวดเองนะเว็นกรรมทั้งหลายมีใครมาช่วยเราใช้หรอกนะจะบอกให้รู้เงินทองพ่อแม่ช่วยเราใช้ได้ติดหนี้หมื่นแม่ไปให้คืนหมื่นนะั้นก็จบกันแต่เวรกรรมมันจะกระทำไว้นี่เนี่ยทาไว้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องเป็นคนใช้เองนะบุญก็ต้องใช้เองเราก็มีความสุขบาปเราก็ต้องใช้เองเราก็มีความทุกข์ถ้าใช้บาปเราให้คนอื่นมาใช้ก็จะไปใช้ใ ห, หมพอใช้แล้วก็ตายคงไม่มีใครหรอก บุญบาปเราต้องใช้เองเงินทองอยังยั ง, ยงเพื่อนใช้ให้ก็ได้พอแม่ใช้ให้ก็ได้เราใช้พอแม่ได้ใช้ก็จบกันแต่อันนี้มันไม่จบนอกจากเราใช้ที่ตัวเราเองจึงจะจบจำไวด้ดีจิตมันไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้ระมัดระวังอย่าอย่าให้ของไม่ดีาาสะสมไว้นในดวงจิตเราอะไรไม่ดีค้นมันทิ้งไปอันนี้ดีเอามาใส่ใจไว้ แล้วจะใช้ไม่ใช้ของดนะีอยู่ในใจของเราถับเป็นทองอยู่ในใจอยู่ในตู้เทฟเราเนี่ยมันไม่มีเปียไม่มีเปื่อยไม่มีเสียหายหรอกไม่นอกจากมันจะลดค่าไปตามเวลาของของโลกเท่านั้นเนะ่ะอ้าวเอวังก็มีดับ ก, กาแล้วชนี้แหละ <laughs>